จเจริญพรท่านผู้มีจิตสัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 2เป็นวันหยุดเชิเฉยเนื่องในวันเฉลิญพระชนมพรรษาห้าธันวา ที่ทรงกับวันเสาร์ที่ผ่านมาทางราชการจึงได้ให้หยุดวันจันทร์ชดเช ย, เชยหนึ่งวันญาติโยมเลยมีเวลาว่าไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมสเสบียงให้แก่จิตใจ เพราะจิตใจนี้เป็นเป็นเหมือนนักเดินทางที่ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไปไม่ถึงบ้านของตนการเดินทางที่เป็นระยะทางที่ที่ไกลนี้ก็จำเป็นต้องมีสเสบียงเพื่อจะได้ ดูแลรักษาใจให้เดินทางได้อย่างสะดวกได้อย่างสบายตราบใดที่เรายังเดินทางอยู่ตราบนั้นสเบียงต่างๆก็ยังมีความจำเป็นแต่ถ้าเราได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วสเบียงต่างๆก็ไม่มีความจำเป็นต่อไป เพราะเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการรอเราอยู่นั่นเองแต่ในขณะนี้เรายังเดินทางกันอยู่เราจึงไม่ควรประมาทมีโอกาสเราควรรีบสะสมสเบียงไว้ให้มากๆเพราะยิ่งมีสเบียงมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้การเดินทางของเราสั้นลงไปและสะดวกสบายมากขึ้นไปพวกเราอาจจะไม่รู้หรือไม่ทราบว่าพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวเป็นเป็นผู้เดินทางกันเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเราตายไปเราก็จบเราไม่ได้เดินทางไปไหนต่อไป แต่ความจริงร่างกายนี้เป็นเพียงเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใช้สวมใส่ส่วนตัวเรานี้ก็คือใจของเราใจก็คือผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี้ต่างกับร่างกายร่างกายไม่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นผู้ที่รู้ รู้ที่มีความรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์มีความคิดปรุงแต่งมีความจำได้หมายรู้ผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้คือใจใจเป็นนามธรรมาเรามองไม่เห็นไม่เหมือนกับร่างกายเป็นรูปธรรม ท, ที่เราเห็นได้ด้วยตา สัมผัสได้ด้วยร่างกายของเราใจของเรานี้เป็นนามธรรมเหมือนกับคลื่นกระแสวิทยุโทรศัพท์มือถือพวกเราเห็นโทรศัพท์มือถือแต่เราไม่เห็นคลื่นของโทรศัพท์มือถือแต่เรารู้ว่าถ้าไม่มีคลื่นโทรศัพท์มือถือโทรสัท์ก็ไม่สามารถใช้งานได้จะติดต่อกับใครก็ไม่สามารถติดต่อได้ ถ้าไม่มีคลื่นไม่มีกระแสอของวิทยุมือถือเช่นบางเวลาท่านเปิดใช้เครื่องมือถือแล้วก็ไม่มีสัญญาณแสดงว่าตอนนั้นสถานีเครือข่ายที่รับส่งสัญญาณนี้เขามีอุปสรรคไม่ไม่ทำการไม่ทำงานโทรศัพท์มือถือก็เลยเป็นเหมือนกับ ก้อนหินก้อนหนึ่งไม่สามารถใช้ติดต่อพูดคุยกับใครได้ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนเครื่องโทรศัพท์มือถือส่วนใจของเรานี้เป็นเหมือนกระแสคลื่นของวิทยุมือถือถ้าร่างกายของเราไม่มีใจแล้วร่างกายของเราก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นซากศพไป เวลาคนตายไปนี้แสดงว่าไม่มีไม่มีกระแสขึ้นก็คือไม่มีใจอยู่กับร่างกายแล้วใจกับร่างกายแยกทางกันร่างกายก็ไม่ได้ไปไหนร่างกายก็กลายเป็นดินน้ำลงไฟไปเป็นเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งส่วนใจนี้ก็ไปต่อเพราะใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกาย ใจไปเพราะกำลังของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจจะผลักไปเหมือนกับเรือใบที่มีกระแสลมพัดพาไป mm hmm. กระแสลมของใจก็คือความโลภความโกรธความอยากที่สร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นตัวผลักดัน ให้ใจของเราไปเดินทางต่อไปพบชาติของเราแต่ละพบนี้ก็เป็นเหมือนกับสถานีบริการหรือเป็นที่ที่แวะพักเวลาเดินทางไปเราคงจะเห็นว่าจะมีสถานีบริการมีที่พักตามทางให้ผู้เดินทางได้พักผ่อน ได้ใช้ห้องน้ําห้องท่าได้หาอาหารหาสเสบียงอะไรต่างๆฉันใดพบชาติของเราคือพบของมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับสถานีบริการเป็นสถานที่พักผ่อนไปนสารที่เติมสเสบียงถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วและเราไม่ได้มาเติมสเสบียงกันแต่เรากลับมา สร้างบาปสร้างกรรมสร้างปัญหาสร้างหนี้เวลาเราออกเดินทางไปเราก็จะไปด้วยความยากลาบากเราไม่มีสเบียงติดตัวไปมีแต่หนี้มีแต่เรื่องติดตัวเราไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาสร้างเสเบียงกันอย่ามาสร้างภาระสร้างหนี้สินสร้างเวรสร้างกรรม ให้ทำบุญให้ละบาปแล้วก็ให้ชำระหรือกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวผลักดันให้เราเดินทางเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราก็จะ ไปถึงบ้านของเราได้ไปถึงสถานที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้จักกันทั้งทั้งที่เราเป็นร่างทั้งทั้งที่เราเป็นใจอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับไม่รู้ว่าเราเป็นใจเรากลับไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ตกใจ ทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใจแต่อย่างใดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแต่เราไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เลยมาเสียเวลากับการมาคอยดูแลรักษาร่างกายคอยหา สิ่งต่างๆมาบำรุงบำเบลร่างกายจนลืมดูแลใจเดลืมการสะสมสะเสบียงให้แก่ใจใจของเราจึงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ใจของเรามักจะมีความทุกขมารบกวนอยู่เป็นระยะระยะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใจของเรานี้ เป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่เราต้องคอยดูแลรักษาและเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดูแลรักษาใจของเราได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ทรงตัดสัรู้แล้วรู้ว่าใจนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเป็นตัวเราเป็นตัวที่เราต้องดูแลรักษาและ สิ่งที่จะดูแลรักษาใจได้ก็คือธรรมะหรือความดีทั้งหลายเช่นการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมจเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญานี่แหละคืออาหารคือสเบียงของใจ คือปัจจัยสี่ของใจเรามีปัจจัยสี่สำหรับร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์แต่ใจของเรายังไม่มีปัจจัยสี่ใจของเราจึงมีอาการทุกข์ให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับร่างกายที่เรามีปัจจัยสี่ไว้คอยดูแล เราร่างกายของเรานี่อยู่มาอย่างสุขสบายมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้เพราะได้รับการดูแลด้วยปัจจัยสี่อย่างสม่าเสมอเรามียารักษาโรคเรามีอาหารรับประทานเรามีที่อยู่อาศัยเรามีเครื่องนุ่งหง่มดังนั้นร่างกายจึงไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับใจของเราที่ทุกอยู่แทบทุกวันต้องทุกข์กับเรื่องนั้นต้องทุกข์กับเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆอก็เพราะว่าเราไม่ดูแลใจของเราเราไม่ให้สเสบียงไม่ให้ปัจจัยเสียแก่ใจของเรานั่นเอง <c oughs> นี่แหละจึงเป็นเหตุที่พวกเราต้องมาวัดกันมาทำบุญให้ทานมารักษาสิง มาปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการให้ปัจจัยสีแก่ใจของเรานั่นเองเพียงแต่ว่าเรายังให้กันไม่มากพอสมควรใจของเราจึงยังมีความทุกข์เป็นระยะระยะอยู่เรื่อยๆทุกข์กับเรื่องอะไรบ้างก็ทุกข์กับเรื่องความอยากต่างๆนั่นเอง ทุกข์กับเรื่องความแก่เพราะเราไม่อยากแก่ทุกข์กับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับการตายเพราะเราไม่อยากจะตายทุกข์กับการที่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้ดังใจเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายของใจเหล่านี้เกิดจากความอยากทั้งสิ้น ความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเช่นเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เราต้องออกไปหาความสุขทั้งงนอกบ้านไปดูหนังบ้างไปฟังเพลงบ้างไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบ้างเหล่านี้เป็นความอยากที่ทำให้เรามีความทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถอยู่บ้านเฉยๆได้ ถ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปนอกบ้านเราจะมีความหงุดหงิดรำคาญใจมีความเศร้าซ้อยอยเหงานี่ก็คือความทุกข์ของใจที่เราไม่รู้สึกตัวพอเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ต้องรีบทำตามความอยากของเราทันทีถ้าเราไม่สามารถออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสภาย น, นอกบ้านได้เราก็หาภายในบ้านเช่นเปิด ทรทัศน์ ด, ดูเปิดวิทยุฟังเปิดเครื่องเล่นเสียงต่างๆหารูปบ้างหาเสียงบ้างมาบำรุงบำเลอนี่เป็นเรื่องของความอยากเรื่องของความทุกข์ใจเราไม่สามารถอยู่บ้านเฉยๆโดยไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะมาคอยบำรุงบำเลอได้เพราะใจของเรา ขาดอาหารขาดสเสบียงขาดปัจจัยสี่<ม>ก็คือขาดธรรมะขาดการปฏิบัติที่จะทำให้ใจของเราสุขทำให้ใจของเราอิ่มทำให้ใจของเราพอถ้าเราไม่หาธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจเราจะใจของเราจะไม่มีความอิ่มไม่มีความพอ ต่อให้ได้อะไรอย่างอื่นมามากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่มีคำว่าพอได้เงินมามากน้อยเพียงไรก็ไม่พอได้คู่ครองมาก็จะไม่พอจากจะไปหาคนนั้นคนนี้อีกเพราะใจไม่ได้รับอาหารที่แท้จริงนั่นเองใจไม่ได้รับ บุญไม่ได้รับกุศลไม่ได้รับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสเปียงที่เป็นปัจจัยสี่ของใจพวกเราจึงควรที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเราก็ฟังก่อนศึกษาก่อน ฟังดูว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรสอนให้เราเลิกอะไรเราก็ควรที่จะทำตามเพราะนี่เป็นการดูแลรักษาใจเป็นการให้อาหารเป็นการให้อยู่ให้ยาเป็นการให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยแก่ใจนั่นเองเช่นทานนี้ก็เป็นการให้อาหารแก่ใจ เวลาเราทำทานแล้วใจเราจะมีความอิ่มมีความสุขแล้วถ้าเรารักษาศีลก็จะทำให้ใจเรามีความสวยงามเป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นแล้วถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้เราสงบเราก็จะมีความสุขความสุขที่สุขมากกว่า ความสุขที่ได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราได้พบกับความสุขในใจแล้วเราจะไม่อยากจะได้ความสุขอย่างอื่นอีกต่อไปเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นความสุขที่ไม่มีใครจะสามารถพลาดจากเราไปได้ไม่เหมือนกับความสุขอื่นๆที่เราต้องพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆเราไปเสษความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาปับพอเรากลับบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไป เราก็ต้องออกไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆวันนี้ไปดูหนังเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปดูหนังอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ไปดื่มไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารร้านนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปรับประทานอาหารไปดื่มที่ร้านนั้นต่อต้องออกไปอยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่อยู่กับใจนั่นเองมันอยู่เพียงเดียวเดียวอยู่เพียงในขนณะที่สัมผัส รับรู้เท่านั้นเองพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมกลับมาบ้านก็มีความเศร้าส้อยง่อยเหงามีความว้าเหวมีความญหญุุนหมิดลำคาญใจแต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบนิ่งได้ด้วยการนั่งสมาธิแล้วใจของเราจะอยู่เฉยๆอย่างเป็นสุขจะไม่อยากดูจะไม่อยากจะฟัง อย่าไม่อยากจะดื่มจะจะลิ้มรสอะไรต่างๆถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ดื่มรับประทานตามความต้องการของร่างกายตามความจำเป็นซึ่งก็จะรับประทานอาหารแบบให้ง่ายอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอย่างพระภิกษุนี้ท่านก็ ฉันมือเดียวท่านก็พอแล้วอาหารก็ฉันให้เต็มที่เลยต้องการเท่าไหร่ก็ฉันให้พอกับร่างกายฉันหนเดียวก็เหมือนกันกับฉันสามหนฉันสามหนเรามาแบ่งให้มันเป็นสามส่วนมันก็เหมือนกันแต่ที่เราต้องฉันรับประทานสามครั้งก็เพราะว่าเราอยากจะสัมผัสกับรสกับกลิ่นของอาหารกับรูปของอาหาร เท่านั้นเองอันนี้เป็นความอยากมันไม่ได้เป็นความต้องการของร่างกายถ้าเป็นความต้องการของร่างกายก็เหมือนกับเติมน้ํามันรถเราเติมมันครั้งเดียวก็เติมให้มันเต็มถังไปเลยไม่จําเป็นจะต้องแบ่งเป็นสาส่วนเช่นตเติมไปหนึ่งในสแล้วอีกสักพักหนึ่งก็ไปเติมอีกหนึ่งในสา แล้วอีกสักพักหนึ่งก็ไปเติมอีกหนึ่งในสามมันก็เหมือนกันเสียเวลาเปล่าๆซู่เติมมันทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยเต็มถังไปเลยกระเพาะเราก็มีอยู่กระเพาะใบเดียวอาหารเราก็กินให้มันเต็มที่ไปเลยให้มันเต็มกระเพาะไปเลยแล้วมันก็อยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้24สชั่วโมงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถ้าใจสงบแล้วจะไม่หิวข้าวเย็นจะไม่หิวข้าว เวลาหลังจากที่ได้รับประทานเต็มที่แล้วจะไม่มีความหิวความหิวส่วนใหญ่นี้ไม่ได้ออกมาจากความต้องการของร่างกายแต่ออกมาจากความอยากของกิเลสตัณหาบางทีรับประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆพอนึกถึงขนมนึกถึงอาหารหรือเห็นขนมหรือเห็นอาหารก็อดไม่ได้อยากจะรับประทานขึ้นมาอีก ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายก็บอกว่ารับไม่ไหวแล้วมันแน่นท้องแล้วแต่กิเลสตัณหาความอยากก็ยังอยากจะรับประทานอีกก็เลยต้องบังคับให้ร่างกายรับประทานอาหารเข้าไปจนทำกายเป็นคนอ้วนไปทำให้ร่างกายเป็นเหมือนตุ่มไปแทนที่จะมีสัสดส่วนที่สวยงามร่างกายก็เลยกลายเป็นตุ่มไปนี่ไม่ได้เป็นความต้องการของร่างกาย แต่มันเป็นความต้องการของกิเลส ข, ของตัณหาความอยากที่เกิดจากความไม่สงบของใจนี้เองถ้าใจสงบแล้วความโลภความอยากจะเบาบางลงไปหรือหมดไปเลยก็ได้ใจของพระพุทธเจ้าใจของภาษาวกนี้ไม่มีความอยากท่านจึงไม่อ้วนท่านจึงอยู่อย่างปกติไม่เป็นปัญหา ไม่วุ่นวายไปกับใครไม่ทุกไปกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านไม่มีความอยากกับเรื่องอะไรอะไรจะเป็นอะไรก็ท่านก็ปล่อยให้เขาเป็นไปฝนจะตกก็ไม่วุ่นวายฝนไม่ตกก็ไม่วุ่นวายอากาศจะหนาวอากาศจะร้อนก็ไม่วุ่นวายไม่จําเป็นจะต้องไปหาสิ่งต่างๆมาคอยแก้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาใช้เวลามันร้อน ไม่ต้องไปหาที่ต้มน้ำร้อนมาอาบเวลามันหนาวท่านใจของท่านไม่ได้กังวลกับเรื่องราวเหล่านี้ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับความหนาวความร้อนร่างกายมันก็ไม่รู้หนาวรู้ร้อนให้มันอาบน้ำร้อนหรืออาบอาบน้ำเย็นมันก็ไม่รู้เรื่องตัวที่รู้ก็คือใจแต่ใจไม่ได้อาบไปกับร่างกายแต่ใจกลับไปวุ่นวายกับ ความร้อนความหนาวชีวิตของพวกเราจึงมาวุ่นวายกับการทำตามความอยากต่างๆนี่เองเรามีอะไรแล้วเรามักจะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เรามีถ้าร้อนก็อยากจะให้มันเย็นถ้าหนาวก็อยากจะให้มันร้อนทำไมไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะมันร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปถ้ามันทนไม่ได้ก็หาน้ามาลูบหาน้ามา อาบับหน่อยพอบรรเทามันไปไม่ต้องไปซื้อเครื่องปรับอากาศต้องไปเสียต้องไปสร้างโรงงานโรงไฟฟ้าโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแล้วก็ไปไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปสร้างมนพิษขึ้นมาในอากาศที่เกิดจากการผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมาแล้วก็สร้างขยะ จนไม่มีที่จะเอาไปทิ้งกันสมัยปู่ย่าตายายของเรานี้เขาไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาอยู่ได้ไฟฟ้าเขาไม่มีเขาก็อยู่ได้ไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีพัดลมไม่มีวิทยุไม่มีตู้เย็นเขาก็อยู่อย่างมีความสุขได้เขาไม่มีมลภาวะเหมือนอย่างพวกเรามีกันอากาศของเขาสะอาดบริสุทธิ์ เวลาฝนตกก็รองน้ําฝนมาใช้ได้น้ําฝนก็สะอาดไม่มีควันพิษตกลงมากับน้ําฝนไม่เหมือนของพวกเราสมัยนี้เดี๋ยวนี้ดื่มน้ําฝนกันไม่ได้ต้องดื่มน้ําขวดกันน้ําขวดก็ต้องผลิตขึ้นมาอีกการผลิตก็ต้องมีการผลิตควันพิษออกมาอีกก็สร้างควันพิษขึ้นไปอีก วิถีชีวิตของพวกเรานี้เป็นวิถีชีวิตที่ฆ่าตัวตายฆ่าผ่อนสมโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่ปรับวิถีชีวิตของเรานี้ภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้านักวิทยาศาสตร์เขาทับทายแล้วว่าโลกจะต้องวิบัติอย่างแน่นอนเ <c oughs> พราะจะมีมีความร้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจาก ควันพิษที่มันครอบในบรรยากาศนี้ทำให้ความร้อนมันไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้มันก็จะทำให้บ้านเมืองของเราร้อนขึ้นไปเรื่อยๆทำให้น้ําแข็งละลายน้ําแข็งในขั้วโลกมันก็จะละลายทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นบ้านที่อยู่แถวริมทะเลต่อไปก็จะอยู่กันไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีพายุ ที่ใหญ่ที่จะมาทําลายทรัพย์สินบ้านช่องของพวกเราไปนี่คือวิถีชีวิตที่อยู่ตามความอยากอยากจะอยากจะสบายเท่านั้นเองอยากจะสุดแต่หารู้ไหมว่าเป็นการฆ่าตัวเองผ่อนส่นแต่ถ้าเราอยู่แบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติ เหมือนกับปู่ย่าตายายของเราอยู่เขาอยู่กันมาต้องหลายพันปีไม่เป็นปัญหาอะไรเลยธรรมชาติเขาก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาเท่าไหร่ไม่เหมือนพวกเราในระยะเพียงร้อยปีนี้ห้าสิบปีมานี้ร้อยปีมานี้พวกเราสร้างปัญหาให้กับพวกเราเองกันอย่างมากมาย พ่อหลวงคิดว่าเรากําลังเจริญเรากําลังสร้างความเจริญสร้างความสุขให้กับเราเดี๋ยวนี้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างมาบํารุงบําเรอแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีปัญหาต่างๆตามมาที่เราต้องคอยมาแก้หรือคอยมาป้องกันจิตใจของคนเราก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆ ถ้าเราจเจริญทางด้านวัตถุมากๆขึ้นไปเท่าไหร่ใจของคนก็จะเสือเส่อมลงไปมากๆเพราะความจเจริญของวัตถุนี้เกิดจากความจเจริญของกิเลสตัณหานั่นเองยิ่งมีความอยากมากก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งมีความทำบาปทำกรรมกันมากเพราะเมื่ออยากจะได้อะไรมากๆแล้วก็จะไม่สนใจว่า จะไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการมาเท่านั้นและเมื่อได้มาแล้วไม่ใช่ว่าความอยากมันจะหมดไปมันกลับมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกมันก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆทุกวันนี้คุกตารางนี้ไม่พออยู่กันแล้วสร้างคุกสร้างตารางออกมาเท่าไหร่ ก็ไม่พออยู่กันเพราะคนทำผิดกฎหมายทำบาปทำกรรมกันมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอำ น, นาจของกิเลสตัณหานี่แหละถ้าเราไม่เอาธรรมะคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้ามายอบย้งมาสกัดมันแล้วต่อไปพวกเราจะต้องฆ่ากันเองเพราะทุกคนมีความอยากมากก็ต้องแก่งแย่งชิงดีกันมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ต้องเกิดสงครามเกิดการฆ่ากันฆ่ากันเป็นผลเป็นเบือไปเพราะความอยากความต้องการนี้มันคอยผลักดันให้พวกเราออกไปหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลอแล้วเมื่อทุกคนไปหาสิ่งอันเดียวกันก็ต้องแก่งแย่งกันเช่นน้ำมันในทะเลตอนนี้ก็แก่งแย่งกัน แต่ละประเทศก็ต่างมาจับจองกันเป็นเจ้าของกันถ้าตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องทําสงครามกันเพราะต้องการน้ํามันมาบํารุงบําเลอร์ความสุขน้ํามันมาผลิตไฟฟ้าน้ํามันมาทําให้โรงงานผลิตเครื่องอํานวยความสุขต่างๆผลิตรถยนต์ผลิตลลตู้เย็นผลิตเครื่องปรับอากาศมาบํารุงบําเลอร์พวกเรา แล้วในที่สุดพวกเราก็ต้องกลายเป็นเหยื่อของสงครามไปเพราะเขาก็จะต้องมาแก่้งแย่งทรัพยากรต่างๆที่เรามีอยู่นี่แรลคือวิถีชีวิตที่เป็ดปายตามความโลภตามความอยากแต่ถ้าอยู่แบบสมถะอยู่แบบพอมีพอกินอยู่แบบมากน้อยสันโดษเราก็จะไม่มีปัญหาอย่างนี้ตามมา เพราะโลกนี้มีทรัพยากรเหลือเฟือที่ให้พวกเราได้ใช้กันและเป็นทรัพยากรที่ไม่สูญหายไปสมัยก่อนเราใช้ของที่มันมันผลิตมันไม่ต้องผลิตมันมาจากธรรมชาติเช่นเราต้องการจะห่อของเราก็ใช้ใบตองใบตองนี้ห่อแล้วใช้แล้วทิ้งไปมันก็เปื่อยเปื่อยแล้วมันก็กลับกลายไปเป็นดินไปกลายเป็นปุย๋ย แล้วมันก็ทําให้ต้นกล้วยออกโตขึ้นมาใหม่ได้การมันเป็นมันเป็นวัตถะที่ไม่มีการทําลายไม่เหมือนกับการผลิตของต่างๆที่เราใช้ผลิตกันนี้ผลิตแล้วมันไม่เปื่อยมันไม่ผุมันต้องเอาไปฝังดินเอาไปกบดินแล้วก็ทรัพยากรที่เราใช้มันก็จะหมดไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะไม่มีของมาผลิตแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรดังนั้นขอให้พวกเราจงคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ขอให้เรามองเห็นถึงโทษของของกิเลสของตัณหาความโลภความอยากต่างๆและขอให้เราเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการ ประพุติปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงก็คือใจของเรานี้ที่เราต้องการให้เจริญร่างกายของเรานี้มันถับอย่างไรมันก็ไม่มีทางเจริญมันมีแต่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแต่ใจของเราถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะทาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดต้องกลับมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เราทุกข์กันอยู่นี้อีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสะสมสบียงคือบุญกุศลเพื่อดูแลรักษาใจให้ได้เจริญรุ่งเรืองให้ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ